ปภาวณาเมื่อภิกษุเหล่านั้นกําลังปภาวนาขณะนั้นภิกษุที่อยู่ในวาดพวกอื่นมาถึงมีจํานวนเท่ากันพวกภิกษุที่ปภาวณาแล้วเป็นอันปภาวณาดีแล้วภิกษุที่เหลือพึงปภาวณาพวกภิกษุที่ปภารณาแล้วไม่ต้องอาบัตรวงเล็บสองภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ในอาวาสแห่งหนึ่งในวันปภาวนานั้นมีภิกษุที่อยู่ในอาวาสหลายรูป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 ภิกษุเหล่านั้นมีความสําคัญว่าเป็นธรรมเป็นวินัยยังแบ่งพวกกันอยู่แต่สําคัญว่าเป็นผู้พร้อมเพียงปวารณาพอภิกษุเหล่านั้นปวารณาเสร็จขณะนั้นภิกษุที่อยู่ในวาดพวกอื่นมาถึงมีจํานวนมากกว่าภิกษุเหล่านั้นพึงปวารณาใหม่พวกภิกษุที่ปวารณาแล้วไม่ต้องอาบัตรวงเล็บสีภิกษุทั้งหลาย อันหนึ่งในกรณีนี้ในอาวาสแห่งหนึ่งในวันปวารณานั้นมีภิกษุที่อยู่ในอาวาสหลายรูปพอภิกษุเหล่านั้นปวารณาเสร็จขณะนั้นภิกษุที่อยู่ในอาวาสพวกอื่นมาถึงมีจํานวนเท่ากันพวกภิกษุที่ปวารณาแล้วเป็นอันปวารณาดีแล้วพวกภิกษุผู้มาทีหลังพึงปวารณาในสํานักของภิกษุเหล่านั้นพวกภิกษุที่ปวารณาแล้วไม่ต้องเอาบาบงเล็บผ้าภิกษุทั้งหลาย อันหนึ่งในกรณีนี้ในอาวาสแห่งหนึ่งในวันปรวรณานั้น sunny. มีภิกษุที่อยู่ในอาวาสหลายรูปพอภิกษุเหล่านั้นปรวรณาเสร็จขณะนั้นภิกษุที่อยู่ในอาวาสพวกอื่นมาถึงมีจํานวนน้อยกว่าพวกภิกษุที่ปรวรณาแล้วเป็นอันปรวรณาดีแล้วพวกภิกษุผู้มาทีหลังพึงปรวรณาในสํานักของภิกษุเหล่านั้นพวกภิกษุที่ปรวรณาแล้วไม่ต้องอบัติวงเล็บ6ภิกษุทั้งหลาย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 ขณะนั้นภิกษุที่อยู่ในอาวาสพวกอื่นมาถึงมีจํานวนมากกว่าภิกษุเหล่านั้นพึงปรวาณาใหม่พวกภิกษุที่ปรวาณาแล้วไม่ต้องอบัตวงเล็บ7ภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ในอาวาสแห่งหนึ่งในวันปรวนานั้นมีภิกษุที่อยู่ในอาวาสหลายรูปขณะนั้นภิกษุที่อยู่ในอาวาสพวกอื่นมาถึงมีจานวนเท่ากัน พวกภิกษุที่ปรณาแล้วเป็นอันปรินาดีแล้วที่มาทีหลังพึงปรณาในสำนักของภิกษุเหล่านั้นพวกภิกษุที่ปรณาแล้วไม่ต้องอบัตวงเล็บ8ภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ในอาวาสแห่งหนึ่งในวันปรณานั้นมีภิกษุที่อยู่ในอาวาสหลายรูปขณะนั้นภิกษุที่อยู่ในอาวาสพวกอื่นมาถึงมีจํานวนน้อยกว่า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 อันหนึง่งในกรณีนี้ในอาวาสแห่งหนึ่งในวันปรวรณานั้นมีภิกษุที่อยู่ในอาวาสหลายรูปขณะนั้นภิกษุที่อยู่ในอาวาสพวกอื่นมาถึงมีจำนวนเท่ากันพวกภิกษุที่ปรวรณ า, าแล้วเป็นอันปรวรณ า, าดีแล้วที่มาทีหลังพึงปรวรณ า, าในสำนักของภิกษุเหล่านั้นพวกภิกษุที่ปรวรณ า, าแล้วไม่ต้องอบัดวงเล็บ11ภิกษุทั้งหลาย อั 1, ในกรณีนี้ในอาวาสแห่งหนึ่งในวันปวรณานั้นมีภิกษุที่อยู่ในอาวาสหลายรูปขณะนั้นภิกษุที่อยู่ในอาวาสผู้อื่นมาถึงมีจํานวนน้อยกว่าพวกภิกษุที่ปวรณาแล้วเป็นอันปวรณาดีแล้วที่มาทีหลังพึงปวรณาในสํานักของภิกษุเหล่านั้นพวกภิกษุที่ปวรณาแล้วไม่ต้องอาบัติวงเล็บ12ภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้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 ขณะนั้นภิกษุที่อยู่ในอาวาสพวกอื่นมาถึงมีจำนวนมากกว่าภิกษุเหล่านั้นพึงปรวารณาใหม่พวกภิกษุที่ปรวารณาแล้วไม่ต้องอบัตวงเล็บ13ภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ในอาวาสแห่งหนึ่งในวันปรวารณานั้นมีภิกษุที่อยู่ในอาวาสหลายรูปขณะนั้นภิกษุที่อยู่ในอาวาสพวกอื่นมาถึงมีจานวนเท่ากัน ภิกษุที่ปรณาแล้วเป็นอันปรินาดีแล้วที่มาถีหลังพึงปรณาในสำนักของภิกษุเหล่านั้นพวกภิกษุที่ปรินาแล้วไม่ต้องอาบัตวงเล็บ14ภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ในอาวาสแห่งหนึ่งในวันปรินานั้นมีภิกษุที่อยู่ในอาวาสหลายรูปขณะนั้นภิกษุที่อยู่ในอาวาส่วกอื่นมาถึงมีจํานวนมากกว่าภิกษุที่ปวรณาแล้วเป็นอันปรินาดีแล้ว ที่มาทีหลังพึงปรวรณาในสำนักของภิกษุเหล่านั้นพวกภิกษุที่ปรวรณาแล้วไม่ต้องอวบัดวงเล็บสิบห้าอนาปฏิปนันารสกจบ